ปัญญายกะวรคหมวดว่าด้วยผู้ถวายใบไม้เป็นต้นหนึ่งปัญญายกะเถราประธานประวัติในดิจชาติของพระปัญญายกเระพระปัณยกเเทหะประกาศประวัติในดิจชาติของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้านั่งอยู่ในบนารรณศาลาบริโภคผักเป็นอาหารพระผู้มีประภาคผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ ได้เสเด็จเข้ามายังบารรณศาลาใกล้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้ถวายใบไม้แด่พระองค์มีนามว่าสิท ธ, ธะผู้ส่องโลกให้สว่างสวยัยทรงเยียวยาสัตว์โลกทั้งปวงประทับนั่งอยู่บนเครื่องลาดใบไม้เนกลับที่เก้าสิบสี่นับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ถวายใบไม้ไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายใบไม้ คุณวิเศษเหล่านี้เคอปฏิสัมพิทาสี่วิโมกข์แปและอภิญยาหกเขาพเจ้าได้ทําให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระปัญญ า, ายกะเทระได้พาสุขคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้ปัญญ า, ายกะเทราประธานที่หนึ่งจบสองภละทายกะเทราประธาน ประวัติในดิจฉาติของพระพละทายกะเทระพระพละทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจฉาติของตนจึงกล่าวว่าพระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่าสิท ธ, ธัตถะทรงสันโดษเสมอด้วยภูเขาสินเนรุทรงไว้เช่นกับธรณีเสด็จออกจากสมาธิแล้วเข้ามาหาข้าพเจ้าเพื่อภิกษาผลสมอผลมะขามป้อมผลมะม่วงผลว่า ผลสมอพิเภกผลกระเบาผลกระบากรกฟ้าผลมะตูมและผลมะปรางเขาพเจ้ามีใจผ่องใสได้ถวายผลไม้นั้นทุกชนิดแด่พระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิท ธ, ธะผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ทรงอนุเคราะห์สัตว์โลกทั้งปวงในกลับที่เกสบนับจากกลับนี้ไปเขาพระเจ้าได้ถวายผลไม้ไวในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกปิเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายผ ล, ลไม้เนื้อกับที่ห้าสิบเจ็ดนับจากกลับนี้ไปได้เป็นกษัตริย์ผู้จั ก, กรพรรดิพระนามว่าเอกัตชะสมบูรณ์ด้วยรัตนเจดประการมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสังพิธาสี่วิโมกแปดและอภินยาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทาสาเร็จแล้วดังนี้แหละ ได้ทราบว่าท่านพระพละทายกะเทระได้พาสุดคาถาเหล่านี้ด้วยประการาชนี้พละทายกะเทราประธานที่สองจบสปัจจุคามะนียเทราประธานประวัติในดิจฉ่าของพระปัจจุคามะนิยเทระพระปัจจุคามเนิยเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจฉ่าของตนจึงกล่าวว่า พระผู้มีพระภาคผู้องค์อาก่วนรชนกำลังเสด็จมาเหมือนพญาราชสีท่องเที่ยวไปในป่าเหมือนม้าอาชาในตัวองค์อาตเหมือนต้นรกฟ้าที่งอกงามข้าพเจ้ามีใจผ่องใสได้กระทำการต้อนรับพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิท ธ, ธัตถะผู้ส่องโลกให้สว่างสวยัยทรงเยียวยาสัตว์โลกทั้งปวงในกลับที่เก้าสิบสี่นับจากกลับนี้ไป ข้าพเจ้าได้ต้อนรับพระผู้มีพระภาคผู้องค์อาขกว่านรชนจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการต้อนรับในกลับที่ยี่สิบเจ็ดนับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิองค์หนึ่งมีพระนามว่าปริวาระเป็นใหญ่ในหมู่ชนมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทาให้แจ้งแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แหละได้ทราบว่าท่านพระปัจจุคมนิยเทระได้พาสิทธิคถาเหล่านี้ด้วยประการศนี้ปัจจุคมนิยเทราประธานที่สาจบ4เอกาปุพพิยะเทราประธานประวัตินดิจชาตของพระเอกาปุพพิยะเทระพระเอกาปุพพิยะเทระ เมื่อจะประกาศประวัติในดิจิตชาติของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้นข้าพเจ้าเป็นปีศาจอยู่ที่ประตูเมืองด้านทิศใต้ได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากทุลีเพิกกิเลสมีพระรัศมีรุ่งเรืองดังดวงจันทรข้าพเจ้าจึงได้ถวายดอกไม้ดอกหนึ่งแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีผู้เป็นนรชนผู้เลิศทรงสแสวงหาประโยชน์เพื่อกูลแก่สัตว์โลกทั้งปวง ผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและมนุษย์ผู้คงที่ในกัปที่เก้าสิบเอ็ดนับจากกัปนี้ไปเขาพระเจ้าได้ถวายดอกไม้ไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าคุณวิเจตเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภิญยาหกเขาพระเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพเจ้าก็ได้ทาสาเร็จแล้ว ดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระเอกราปุพิยะเถระได้พาสิทธฐานเหล่านี้ด้วยประพระราชนินิเอกาปุพิยะเถราประธานที่สี่จบหมัคควะปุพิยะเถระประธานประวัติในดิจชาติของพระมัคควะปุพิยะเถระพระมัคควะปุพิยะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจชาติของตนจึงกล่าวว่า พระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระสยามผูผู้ไม่ทรงพ่ายแพ้พระองค์มีอินทรีย์ผ่องใสไม่ขุนมัวเข้าสมาธิอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำนำมามัธาในครั้งนั้นเขาพระเจ้าได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระสยามผู่ผู้ไม่ทรงพ่ายแพ้แล้วเลื่อมใสมีใจยินดีได้บูชาพระองค์ด้วยดอกมะควะดอกแส่ม้าพระอินในขั้ที่เกอ นับจากกลับนี้ไปเขาพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกปฏิเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกข์แปและอภิญญาหกเขาพเจ้าได้ทําให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระมขวะอุพิยเถระ ได้พาสัจธร า, าเหล่านี้ด้วยประการศนิมขวะปุพพิยะเทราประทานที่ห้าจบ6อุปธายกะเทราประทานประวัติในดิจชาติของพระอุปถายกะเทระพระอุปธายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจชาติของตนจึงกล่าวว่าพระพุทธเจ้าผู้มหานาคผู้สมควรรับเครื่องบูชาผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและมนุษย์ อูจเจริญที่สุดในโลกทรงองค์อาจกว่านรชนกกำลังเสด็จดำเนินอยู่ที่ถนนข้าพเจ้าได้มอบให้ทูลนิมนต์แล้วจึงได้ถวายคนอุปถากแต่พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระนามว่าสิท ธ, ธะผู้สแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์โลกทั้งปวงผู้สแสวงหาคนอันยิ่งใหญ่พระมหาหมุนีสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรับแล้วทรงสงมอบคืนได้เสด็จลุกจากอาสนะนั้นแล้ว บ่ายพระพักเสด็จหลีกไปทางทิศตะวันออกในกลับที่เก้าสบสี่นับจากกลับนี้ไปเขาพระเจ้าได้ถวายคนอุปถากไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จกักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายคนอุปถากต์ในกลับที่ห้าสิบเจ็ดนับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิมีพระนามว่าพระเสนสมบูรณ์ด้วยรัตนเจดประการมีภาานุภาพมาก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 ประวัติในดิจฉาของพระอปทานิยะเถระพระอปทานิยะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจฉาของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าเลื่อมใสแล้วได้สรรเสริญประวัติในดิจฉาของพระสุคตทั้งหลายผู้สแสวงหางคุณอันยิ่งใหญ่และได้กราบประยุ ค, คลบาด้วยเสียงกล่าวด้วยมือทั้งสองของตนในกลับที่กล่าสิบสองนับจากกลับนี้ไป ข้าพเจ้าได้สรรเสริญประวัติในเดตชาติของพระสุคตไว้จึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งการสรรเสริญคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสวิโมกแปและอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระอปทานิยะเถระ ได้พาสิทคถาเหล่านี้ด้วยประการศนี้อปธานิยเทราประทานที่เจดจบแสัตตาหะปปัพจิตะเทราประทานประวัติในดิจชาติของพระสัตตาหะปปัพจิตะเทระพระสัตตาหะปปัพจิตะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจชาติของตนจึงกล่าวว่าสงสาวกของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าวิปัสสี ผู้ที่มหาชนสักการะนับถือแล้วเมื่อก่อนข้าพเจ้าได้ถึงความวิบัติแตกจากญาติข้าพเจ้าเข้าโบส์ก็เพื่อความสงบระงับความพินาธยินดีในการโบส์นั้นได้เพียงเจ็ดวันก็เพราะความเป็นผู้ใคร่ในสัตุศาสตร์ในกลับที่เก้าสิบอ็ดนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้โบวถไวในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกติเลยนี่เป็นผลแห่งการโบส์ เนกับที่หกสิบเจ็ดนับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจากาักรพรรดิเจ็ดชาติปรากฏนามว่าสุนเนกข ม, มะทรงเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภิญยาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทาสาเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่า ท่านพระสัตตาหะปปัจชิตเทระได้พาสิคขาเหล่านี้ด้วยประกาศนี้สัตตาหะปปัจชิตเทราประธานที่แปดจบเก้าพุทธุปัฏฐายกะเทราประธานประวัติในดิจชาตของพระพุทธุปัฏฐายกะเทระพระพุทธุปัฏฐายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจชาตของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้น ข้าพเจ้าและบิดาของข้าพเจ้าก็มีชื่อว่าเวธัมพินีด้วยบิดาจูงมือข้าพเจ้าพาไปมอบถวายแด่พระมหามุนีพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้ทรงเป็นผู้นำชั้นเลิศของโลกเหล่านี้ทรงมุ่งหมายข้าพเจ้าข้าพเจ้าเลื่อมใสได้บำรุงพระพุทธเจ้าเหล่านั้นโดยเคารพด้วยมือทั้งสองของตนในกลับที่สามสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไป ข้าพเจ้าได้บำรรงพระพุทธเจ้าทั้งหลายไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการบำมรงในกลับที่ยี่สิบสามนักจากกลับนี้ไปได้เป็นกระสา์ผู้จั ก, กรพัทสี่ชาติพระนามว่าสมนุ ป, ปัฏฐากะมีพลานุภาพมากผู้นวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทาให้แจ้งแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพุทเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระพุทธุปทายกเถระได้พาสิกธถาเหล่านี้ด้วยประการาชนี้พุทธุปถายกเถราประทานที่เกจบสิบปุพพังคมะนิยเถราประทานประวัติในดิจชาติของพระปุพพังคามนิยเถระพระปุพพังคามนิยเถระ เมื่อจะประกาศประวัติในเดจจ่าของตนจึงกล่าวว่าพวกข้าพเจ้าแปดหมืนสี่พันคนไม่มีความกังวลได้ออกบวชเพื่อบรรลุประโยชน์สูงสุดข้าพเจ้าเป็นหัวหน้าของคนเหล่านั้นคนเหล่านั้นยังมีราคะโทสะและโมหะเลื่อมใสไม่ขุนมัวบำรุงข้าพเจ้าผู้ผ่องใสโดยเคารพด้วยมือทั้งสองของตนของตน พระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระสยามภูผู้ขีนาศพทรงคลายโทสะได้แล้วทาจิตที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีอาสวะไม่ทรงพ่ายแพ้ทรงแผ่เมตตาจิตไปพวกข้าพเจ้าบำรงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นเป็นผู้มีสติสิ้นชีวิตแล้วได้ไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยกลับที่เก้าสิบสี่นับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้รักษาศีลไว จึงไม่รู้จักทุกติเลยนี่เป็นผลแห่งการสำรวมคุณวิเศษเหล่านี้เพอปฏิสัมภิทาสี่วิโมกแปและอภิญยาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แล่ได้ทราบว่าท่านพระปุพพังคมามนิยเทระได้พาสิกขาฐานเหล่านี้ด้วยประการชนี้ ปูพังคมณิยะเทราประทานที่สิบจบปัญณาทายกะวักที่ยี่ิบเกจบบริบูรณ์รวมอปทานที่มีนิวรัก์นี้คือ 1. ปัญณาทายกะเทราประทาน 2. อภละทายกะเทราประทานสปัจจุคมณีนน ย, ะยะเทราประทานสเอกปุพพิยะเทราประทานห้ามควะปุพพิยะเทราประทาน 6. อุปทายกะเทราประธานเจอปทานิยะเทราประธาน 8. ปสัตตาหะปัปพชิตะเทราประธาน 9. พุทธุ ป, ปัายกะเทราประธานส0ปุพังคมานิยะเทราประธานและท่านได้กล่าวคาถาไว้4ี่คาถา จิตตกะปูชกะวักหมวดว่าด้วยพระจิตตกะปูชกะเป็นต้นหนึ่งจิตตกะปูชกะเทราประทานประวัติในดิจฉ่าของพระจิตตกะปูชกะเทระพระจิตกะปูชกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจฉ่าของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้นข้าพเจ้าเป็นพรามณ์มีนามว่าอจิตะประสงค์จะทําการบูชา จึงรวบรวมดอกไม้ต่างๆไว้เขาพเจ้าได้เห็นจิ ก, การทานของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิขีผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของโลกที่กำลังลุกโผล่อยู่จึงนำดอกไม้นั้นมาโปรยลงที่จิ ก, การทานในกับที่สาสิบเอ็ดนับจากขั้นี้ไปเขาพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้า เนือกลับที่ยี่สิบเจ็ดนับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิเจ็ดชาติมีพระนามว่าสุปัชลิตะเป็นใหญ่ในหมู่มนุษย์มีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภินยาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสาเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่า ทพระจิตตกะปูชกะเทระได้พาสุขถาเหล่านี้ด้วยประการศนิจิตกะปูชกะเทราประธานที่หนึ่งจบ 2. องปุกพระทารกะเทราประธานประวัติในดิจฉาของพระปุกพรทารกะเทระพระปุกพระทารกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจฉาของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้านุ่มภาพเหลือกไม้หม่มหนังเสือ อภิญญาห้าบังเกิดแล้วลูปคลำดวงจันได้ข้าพเจ้าได้เห็นพระศาสดาพระนามว่าวิปสัสสีผู้สองโลกให้สว่างซึ่งเสด็จมาถึงสำนักข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงยกดอกแครฝอล์ขึ้นบูชาพระองค์เนื้อกลับที่เก้าสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการยกดอกไม้ขึ้นบูชา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 ท่านพระปุปภาธารกะเทระได้พาสิกธิคถาเหล่านี้ด้วยประการะชนี้ปุปภาธารกะเทราประทานที่สองจบสามฉัตตะทายกะเทราประทานประวัติในดิจฉาของพระฉัตตะทายกะเทระพระฉัตตะทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจฉาของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้นบุตรของข้าพเจ้าออกบวชแล้ว นุ่งห่มผ้ากาสายะเขาบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าอัญชาวโลกบูชาเสด็จดับขันถปรินิพานแล้วเขาพระเจ้าคนหาบุตรของตนไปทางเบื้องหลังไปถึงจิ ก, กาทานแห่งบุตรผู้ยิ่งใหญ่ปรินิพานแล้วเขาพระเจ้าประคองอัญเชลีไหว้จิ ก, กาทานที่ป่าชานั้นและยกฉับ ข, ขาวขึ้นบูชาในครั้งนั้นในกลับที่เก้าสิบสนับจากกลับนี้ไป ข้าพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายชัดในีักลับที่ยี่สิบห้านับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิเจ็ดชาติมีพระนามว่ามหารหะเป็นใหญ่ในหมู่ชนมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมก8ปและอภิญยาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้ว คำสัง่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แหละได้ทราบว่าท่านพระชัตตาทายกะเทระได้พาเศคกร า, าเหล่านี้ด้วยประการฉนี้ชัตตาทายกะเทราประทานที่สามจบ 4. สีัตธสัญญกะเทระประธานประวัติในดิจชาของพระชัตธสัญญกะเทระพระชัต t สั ญ, ญกะเทระ เมื่อจะประกาศประวัติในดิจชาติของตนจึงกล่าวว่าเมื่อดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นข้าพเจ้าได้มีความลืมใสยอย่างเหลือล้นว่าพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่มีปรากฏในโลกข้าพเจ้าได้ฟังแต่เสียงในความปรากฏนั้นแต่ไม่ได้เห็นพระชินเจ้าพระองค์นั้นถึงคราวจะจิ้นชีวิตได้ระลึกถึงความทรงจำในพระพุทธเจ้า ในกลับที่เก้าสิบสี่นับจากกลับนี้ไปเขาพระเจ้าได้ความทรงจำไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสมพิธาสีวิโมกแปดและอภิญญาหกเาพระเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่า ท่านพระสัทธาสัญญกะเทระได้พาสิทคถาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้สัทธาสัญญกะเทราประธานที่สี่จบหโคศีสะนิเคปะกะเทราประธานประวัติในดิจฉาของพระโคศีสะนิเคปะกะเทระพระโคศีสะนิเคปะกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจฉาของตนจึงกล่าวว่า ข้าพเจ้าออกจากประตูอารามแล้วได้ลากทอดไม้จันท์เหลืองไว้เพื่อให้สงเดินข้าพเจ้าได้สวยกรรมของตนนี้เป็นผลแห่งบุพกรรมม้าสินทบอาชาในเป็นพาณวิ่งเร็ววัยปานลมข้าพเจ้าได้สวยผลนั้นทั้งหมดนี้เป็นผลแห่งการลาดไม้จันท์เหลืองโอกุศลสมผานเล็กน้อยที่ข้าพเจ้าทําไว้ในบุญเขตที่ดี กลับให้ผลมากกุศลสมพานอื่นไม่ถึงเสี่ยวแห่งกุศลสมพานที่ข้าพเจ้าทําไว้ในประสงค์เลยในกลับที่เก้าสบสนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ลาดไม้จันเหลืองไว้จึงไม่รู้จักทุคติเลยนี้เป็นผลแห่งการลาดไม้จันเหลืองในงกลับที่เจ็สบห้านับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดมีพระนามว่าสุปฏิทิฏะ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 โคศีสานิเคประกเถราประทานที่ห้าจบหปปัทภปูชกะเถราประทานประวัติในดิติชาติของพระปัทภปูชกะเถระพระปัทภปูชกะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิติชาติของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้นข้าพเจ้าเป็นกินนอนอาศัยอยู่ที่ภูเขาหิมพานได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากทุลีคอกยิเลย มีพระรัศมีรุ่งเรืองดุจ ด, ดวงจันทร์เวลานั้นเขาพระเจ้าได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกแล้วได้ใช้น้ำแก่นจันทร์และกลิศนารดลงที่พระบาทในกลับที่เก้าสบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปเขาพระเจ้าได้บูชาพระบาทไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระบาท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 ประวัติในดิตชาติของพระเทศกิตกะเทระพระเทศกิตกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจชาติของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้นข้าพุทเจ้าเป็นพราหมณ์มีนามว่าอุปปารห ก, กะเข้าไปยังป่าดงทึบได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทรงองค์อากว่านรชนผู้สมควรรับเครื่องบูชาของชาวโลกแล้วจึงกราบแทบพระยุคคนลบาท พระพุทธเจ้าทรงทราบว่าเขาพระเจ้ามีจิตเลิ่มสายแล้วก็ทรงหายไปเขาพระเจ้าออกจากป่าดงทึบแล้วหวนระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดสันเสริญภูมิภาคนั้นแล้วบันเทึงอยู่ในสวรรค์ตลอดหนึ่งกลับในกลับที่เก้าสิบสองนับจากกลับนี้ไปเขาพระเจ้าได้สันเสริญภูมิภาคไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการสรรเสริญ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 สลาณะมันิยะเถราประทานประวัติในดิตชาติของพระสลาณะมันิยะเถระพระสลณะมันิยเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้นข้าพเจ้าเป็นพรานเนื้ออาศัยอยู่ใกล้ภูเขาหิมพานได้เห็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีผู้เจริญที่สุดในโลกทรงองค์อาจกว่านรชน เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วทำการขนขวายช่วยเหลือได้ถึงพระองค์ผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและมนุษย์ผู้คงที่ว่าเป็นจารณะเนกับที่เก้าสบเอ็ดนับจากตับนี้ไปข้าพเจ้าได้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นจารณะจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งจารณะคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภิญญาห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 พระอัมพะปิัญญาเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจชาตของตนจึงกล่าวว่าพระพเจ้าเป็นทานกอสูรมีนามปรากฏว่าโรมสะพระพเจ้าได้ถวายผลมะม่วงแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีผู้สแสวงหาคุนอันยิ่งใหญ่ในกับที่เก้าสิบเอ็ดนับจากกับนี้ไปพระพเจ้าได้ถวายผลมะม่วงไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายผลมะม่วงคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปดและอภิญยาหกเขาพเจ้าได้ทําให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระอัมพะปิญญาเถระได้พาสิทธิาเหล่านี้ด้วยประการศนี้อัมพะปิญญาเถราประธานที่เก้าจก อนุสังสาวกเทราประธานประวัติในดิจฉ่าของพระอนุสังสาวกเทระพระอนุสังสาวกเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจฉ่าของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าได้เห็นพระผู้มีพระภาคชิ น, นเจ้าพระนามว่าวิปัสสีกําลังเสด็จเที่ยวบินธบาตจึงได้ถวายภิกษาทัพีหนึ่งแด่พระองค์ผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและมนุษย์ผู้คงที่ ครั้งนั้นข้าพเจ้ามีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีได้ถวายอภิวาทและได้ประกาศพระพุทธเจ้าให้มหาชนทราบเพื่อบรรลุประโยชน์สูงสุดในขั้นที่เก้าสบเอ็ดนับจากกับนี้ไปข้าพเจ้าได้ประกาศให้มหาชนทราบไว้จึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งการประกาศคุณวิเศษเหล่านี้เบอปฏิสัมพิทาสี่วิโมกปและอภิญญาหก ข้าพเจ้าได้ทําให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระอนุสังสาวกาเถระได้พาสิกธถาเหล่านี้ด้วยประการาชนี้อนุสังสาวกาเถราประธานที่สิบจบจิตกะปูชกะวรคที่สามสิบจบบริบูรณ์ร่วมอปทานที่เมนิวักนี้คือหนึ่ง จิตกะปูชกะเทราประทาน 2. อปุภาทารากะเทราประทานสาชัตตะทายกะเทราประทานสีสัทธะสัญกะเทราประทาน 5. โคศีสะนิเคปะกะเทราประทาน 6. ปัทปูชกะเทราประทาน7เทศกิตก ะ, ะ, ะเทราประทาน 8. ปดสรณคขมณียะเทราประทาน เก้าอัมภะปินทิยะเทราปทานสิบอนุสังสาวกะเทราปทานบันทิตคำนวณขาถาได้สี่สิบเจ็ดขาถาอันหนึ่งรวมวักได้สิบวักคือหนึ่งปนิการะปุพยยวักสองหัตถิวักสามอารมพณะทายกะวักสี่อุตตกาสนะทายกะวักห้า ตุวระทายิวักหกโทมกะวักเจ็ดปทุมุกะเคปวักแปดสุวรรณพิโภหนวักเก้าปันนาทะยกะวักสิบจิตกะปูชกะวักคาถาทั้งหมดมี4ี่ร้อห้าสิบอ็าถาบัณฑิตผู้แสดงอัดคำนวณบททั้งหมดได้5้าพห้า้เจ็สิบสบท หมวดสิบแห่งวัคมีกนิการะปุพยาวัคเป็นต้นจบหนึ่งร้อยเรื่องหมวดที่สามจบบริบูรณ์สามสิบเอ็ดปทุมะเกสริยะวัค หมวดว่าด้วยพระปทุมะเจเสริยะเป็นต้นหนึ่งปทุมะเจเสริยะเทราประทานประวัติในดิตชาติของพระปทุมะเจเสริยะเทระพระปทุมะเจเสริยะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าเมื่อก่อนข้าพเจ้าเป็นช้างพลายตระกูลมาตังคะอาศัยอยู่ใกล้ที่พักหมูฤาษีคือพระปเจ ก, กพุทธเจ้า ข้าพเจ้ามีความเลื่อมใสในพระปัจเจ ก, กพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณันยิ่งใหญ่จึงได้โปรยเกศรอดอกบัวลงบูชาข้าพเจ้าทำจิตให้เลื่อมใสในพระปัจเจ ก, กชินเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดผู้คาจัดราคาแล้วผู้คงที่เหล่านั้นแล้วบันเทิงอยู่ในสวรรค์ตลอดกลับหนึ่งในกลับที่เก้าสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไป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 ได้พาสิทขิถ า, าเหล่านี้ด้วยประการศนี้ปทุมะเกศริยาเทราประทานที่หนึ่งจบ 2. ส, สัพพะคันธิยะเทราประทานประวัติในดิจฉาติของพระสัพพะคันธิยะเทระเป็นต้นพระสัพพะคันธิยะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจฉาติของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าได้ถวายของหอมและดอกไม้แด่พระพุทธเจ้า พระนามว่าวิปสัสสีผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ได้ถวายผ้าไหมอย่างดีแด่พระองค์ผู้ซื่อตรงเนื้อกลับที่เก้าสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ถวายของหอมไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายของหอมเนื้อกลับที่สิบห้านับจากกลับนี้ไปได้เป็นกระสัดผู้จักกระพาพระนามว่าสุเจละสมบูรณ์ด้วยรัตนเจตประการ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 สามปารมณะทายกะเทราประทานประวัติในดิตชาติของพระปารมัณะทายกะเทระพระปารมัณนนะทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าได้เห็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีผู้โชติช่วงดังดอกกัิกามีพระรัศมีรุ่งเรืองดังดวงอาทิตย์อุทยัยผู้เจริญที่สุดในโลก ทรงองอาจกวานรชนเขาพระเจ้าประนมมือนำเสด็จมายังเรือนของตนครั้นนำเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาถึงแล้วได้ถวายข้าวอย่างดีเยี่ยมเนื้อกลับที่เก้าสบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปเขาพเจ้าได้ถวายข้าวอย่างดีเยี่ยมไวในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายข้าวอย่างดีเยี่ยมคุณวิเศษเหล่านี้เครือปฏิัมพิทาสีวิโมกแปด และอภิญญาหกเขาพเจ้าได้ทําให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แลได้จราบว่าท่านพระประมัณ น, นทาทยกะเทระได้พาสิกขาเหล่านี้ด้วยประการศนี้ปรมนนาณนาทยกะเทราประทานที่สามจบสธรรมสัญญกะเทราประทาน ประวัติในดิจชาติของพระธรรมสัญญกะเทระพระธรรมสัญญกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจชาติของตนจึงกล่าวว่าได้มีการฉลองต้นมหาโพธิ์แห่งพระผู้มีพระภาคพระนามว่าวิปสัสสีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เจริญที่สุดในโลกทรงองค์อากว่านรชนปรากฏเหมือนว่าประทับอยู่ที่ต้นโพธิ์สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคมีหมู่ภิกษุแวดล้อม ทรงเปล่งอาศพิวาจาประกาศจัจจสีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทำลายกิเลสดุดหลังคาได้แล้วทรงแสดงโดยย่อและทรงแสดงโดยพิดารทรงช่วยมหาชนให้สงบเย็นเขาพระเจ้าได้ฟังธรรมของพระองค์ผู้เจริญที่สุดในโลกผู้คงที่ถวายอภิวาทแท้พระบาทของพระาศาสดาแล้วบ่ายหน้าลีไปทางทิศเหนือนขับที่เ นับจากกลับนี้ไปเขาพระเจ้าได้ฟังธรรมในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการฟังธรรมเนื้อกลับที่สามสิบสามนับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิองค์หนึ่งมีพระนามว่าสุตวาเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภิน ญ, ญาหกเขาพระเจ้าได้ทาให้แจ้งแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระธรรมสัญญาเทระได้พาสุคถาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้ธรรมสัญญะเทราประธานที่สี่จบหพระทายกะเถราประธานประวัติในจิจชาของพระพระทายกะเถระพระพระพลทายกเถระ เมื่อจะประกาศประวัติในดิจิต่าของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้นมีอาสมอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำพาคีรัีิเขาพเจ้าถือผลไม้เดินมาสู่อาสมนั้นช้าชาณที่นั้นเขาพเจ้าได้พบพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีผู้มีพระรัศมีรุ่งเรืองดังดวงจันทร์จึงได้ถวายผลไม้ของเขาพเจ้าที่มีอยู่ทั้งหมดแด่พระศาสดาเนี่อกลับที่เกสบอ็ดนับจากกลับนี้ไป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 ด้วยประการาชนีพระธายกะเทประชานที่หจบ6สัมปัสาาิกะเทประชานประวัติในดิจฉ่าของพระสัมปัสาาิกะเทระพระสัมปสาาิกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจฉ่าของตนจึงกล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นพุทธวีระเจ้าขอนอบน้อมแด่พระองค์ พระองค์หลุดพ้นแล้วในที่ทั้งปวงข้าพระองค์เป็นผู้ถึงความวิบัติขอพระองค์ได้โปรดเป็นที่พึ่งของข้าพระองค์ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะหาบุคคลเปรียบไม่ได้ในโลกทรงพยากรณ์ข้าพระองค์ว่าพระสงฆ์ผู้เสมอด้วยมหาสมุรผู้ยอดเยี่ยมหาประมาณไม่ได้ท่านจงทําจิตให้เลื่อมใสในพระสงฆ์แล้วจงหวานปลูกพืชชนิดดีไว้ในพระสงฆ์นั้น ผู้ปราศจากธุลีเกิดกิเลสเป็นเนื้อนาบุญที่ให้ผลไม่สิ้นสุดพระองค์เป็นพระสัพพัญญูผู้เจริญที่สุดในโลกทรงองค์อาจกว่านราชนครั้นตรัก ด, ดังนี้ทรงพร่ำสอนพระพเจ้าอย่างนี้แล้วเสด็จเหาะขึ้นสู่อากาศเมื่อพระสัพพัญญูผู้องค์อาจกว่านราชนพอเสด็จไปได้ไม่นานข้าพเจ้าก็สิ้นชีวิตแล้วได้ไปเกิดยังสวรรค์ชั้นดุสิตครั้งนั้น ข้าพเจ้าทำจิตให้เลื่อมใสในพระสงค์ผู้ปราศจากธุลีคือกิเลสเป็นเนื้อนาบุญที่ให้ผลไม่สิ้นสุดแล้วบันเทิงอยู่ในสวรรค์ตลอดกลับหนึ่งในกับที่เกสิบสนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ความเลื่อมใสหนึครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกปฏิเลยนี้เป็นผลแห่งความเลื่อมใสคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปดและอภิน ญ, ญาหก ข้าพเจ้าได้ทำไม่แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระสัมปัสาติกะเทระได้พาสิกขาเหล่านี้ด้วยประการาชนีสัมปัสาติกะเทราประธานที่หจบ 7. อารามทายกะเทราประธานประวัติในดิตชาตของพระอารามทายกะเทระ พระอารามมัทยภะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตติชาของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าได้สร้างอารามถวายแด่พระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิท ธ, ธัถะใกล้หมูไม้มีเงาร่มเย็นมีฝูงนกเข้าอยู่อาศัยข้าพเจ้าได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากทุลีเคเกิเลตผู้สมควรรับเครื่องบูชาจึงน้อมถวายอารามแด่พระองค์ผู้เจริญที่สุดในโลก ทรงองค์อากวานรชนเข้าพระเจ้ามีจิตร่าเริงเบิกบานได้ถวายผลไม้และดอกไม้ต่อจากนั้นเข้าพระเจ้าก็เกิดความเลื่อมใสน้อมถวายทานนั้นเข้าพระเจ้ามีใจผ่องใสได้ถวายทานแด่พระพุทธเจ้าผลทานนั้นบังเกิดแก่เข้าพระเจ้าในเมื่อเข้าพระเจ้าเกิดอยู่ในภพในกลับที่เก้าสบสี่นับจากกลับนี้ไปเข้าพระเจ้าได้ถวายอารามไวในครั้งนั้น จึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายอารามในกลับที่37นับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจากาักรพรรดิเจ็ดชาติมีพระนามว่ามุทุสีตละสมบูรณ์ด้วยรัตนเจตประการมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้เครปฏิสัมพิทาสีวิโมก8และอภินยาหกข้าพระเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระอารามททยกะเทระได้พาสุคถาเหล่านี้ด้ื่ประการชนิอารามททยกะเทระประทานที่เจดจบ8อนุเลปะทายกะเทระประานประวัติในดิตชาติของพระอนุเลปะทายกะเทระ พระอนุเรปะทายะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าได้เห็นสาวกของพระพุทธเจ้าพระนามว่าอัฏฐทัตสีผู้เป็นมุนีจึงได้เข้าไปหาท่านซึ่งกําลังทําการก่อสร้างอยู่ที่สีมาและเมื่อการก่อสร้างสําเร็จแล้วข้าพเจ้ามีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีในหมู่พระสาวกผู้เป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยม จึงได้ถวายการฉาบทาในขั้บที่หนึ่งร้อยสิบแปดนับจากขกั้บนี้ไปเขาพระเจ้าได้ทํากรรมไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกปฏิเลยนี้เป็นผลแห่งการฉาบทาคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปดและอภิญญาหกเขาพระเจ้าได้ทําให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่า ท่านพระอนุเลปะทายกะเทระได้พาสิกขาเหล่านี้ด้วยประการศนีอนุเลปะทายกะเทราประทานที่8จบเก้าพุทธสัญญกะเทราประทานประวัติในดิจฉ่าของพระพุทธสัญญกะเทระพระพุทธสัญญกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจฉ่าของตนจึงกล่าวว่าพระพุทธเจ้าผู้เจริญที่สุดในโลก ผู้องค์อาดกว่านรชนผู้มีพระรัศมีรุ่งเรือง ด, งดังดวงอาทิตย์อุทยัยและดังดวงจันทร์เสด็จไปตามราวป่าทรงเป็นผู้นําสัตว์โลกพระนามว่าสิท ธ, ธัตถะทรงเป็นผู้นําสัตว์โลกเขาพระเจ้าได้ฝันเห็นจึงทําจิตให้เลื่อมใสในพระองค์แล้วหลังจากตายไปได้เข้าถึงสุคติภพเนี่ยกลับที่เก้าสบสี่นับจากกลับนี้ไปเขาพระเจ้าได้ความทรงจําไว้ในครั้งนั้น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 พุทธสัญญาเทราประธานที่เก้าจบสิบปัพพาระทายกะเทราประธานประวัติเนจิติชาต์ของพระปัพพาระทายกะเทระพระปัพพาระทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติเนจิติชาต์ของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าได้ชำระกวาดล้างถูถ้ำของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าปิยทัศนศี และได้ตั้งหม้อน้ำสำหรับฉันไว้ถวายแด่พระองค์ผู้คงที่พระพุทธเจ้าผู้มหามุนีพระนามว่าปิยทศีทรงพยากรณ์เรื่องนั้นแก่ข้าพเจ้าว่าจากมีประสาทเจ็ดชั้นสูงพันชั่วลูกธนูสะพรั่งไปด้วยธงพราไปด้วยแก้วมณนีสีเขียวปราสาทและแก้วนับประมาณมิได้จากวังเกิดขึ้นครั้งข้าพเจ้าถวายทานคือการชำระทำแล้ว บันเทิงอยู่ในสวรรค์ตลอดหนึ่งกับในกับที่สามสิบสองนับจากกับนี้ไปได้เป็นกษัตริย์ผู้จักรพรรดิพระนามว่าสุพุทธะสม บ, บูรณ์ด้วยรัตนเจประการมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภิญยาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทาสาเร็จแล้วดังนี้แล ได้ทราบว่าท่านพระปภาระทายกะเถระได้พาสึกถาเหล่านี้ด้วยประกาศน้ปภาระทายกะเทราประธานที่สิบจบปฐุมะเกสริยวัคที่สาเอดจบบริบูรณ์รวมประธานที่มีในวักนี้คือหนึ่งปฐุมะเกสริยเทราประธานสองสัพพะคันธยะเทราประธาน สามปรมณะทายะกะเถราปทานสธรมมสัญญกเถราปทาน 5. ้ภระทายกะเถราปทาน 6. สัมปสาธิกะเถราปทาน 7. อารามะทายกะเถราปทาน 8. อนุเลปะทายกะเถราปทาน 9. พุทธสัญญกเถราปทานสิปภาระทายกะเถราปทาน และท่านกล่าวคาถาไว้ห้าสิบเอ็ดคาถา